สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่สามร้อยเก้าสิบเรื่องโฮชนาเพี่นอนครับเมื่อวานนี้ผมจบลงตรงที่ว่าต้นปลาล์มนั้นเปรียบเสมือนกับเป็นพระเยซูหรืออาจจะเปรียบเสมือนกับเป็นชีวิตของคนที่กําลังยกแขนขึ้นสรรเสันพระเจ้าเพราะว่าต้นปลาล์มนั้นยอดของมันมีลักษณะคล้ายกับมงกุฎ ในขนเดรูปกันครับใบของมันที่แผ่ออกก็เป็นเหมือนกับแขนครับลําต้นที่ยังรากลงลึกเปรียบเส ม, มือนกับเป็นตัวคนเพราะฉะนั้นเราก็เห็นภาพครับว่าใครก็ตามที่สวมมงกุฎผู้นั้นเจ้ า, ศ า, ศาศเป็นกษัตริย์ครับแลือเมื่อเป็นกษัตริย์เกี่ยวข้องกับโฮสนาก็หมายความว่าก็คือองค์พระเยซูคริสต์นั่นเองเพื่อนครับในวันนี้เราจะมาดูรู้จักคําว่าโหสนา โฮสนานั้นมาจากรากศัพท์ที่ว่าขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดเถิดชื่อของพระเยซูก็เหมือนกันครับเยซูแปลว่าพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดหรือพระผู้ช่วยให้รอดเพื่อนนะครับคำว่าโหสนานั้นก็มีความความหมายที่ละไมคลายคลึงกับคำว่าเยซูหรือเยซูเรามาดูต่อนะครับว่าพระมกุฏวันนี้อยู่ในพระธรรม สรุดีบทที่148ข้อ1และข้อที่2ซึ่งตรงกับลูกาบทที่2ข้อที่14ในขณะเดียวกันครับก็ตรงกับในพระธรรมยอห์นบทที่12ข้อที่13พี่น้องครับโปรดฟังโพชนาของพระเจ้าเขาก็พากันถือทางอินทดขันลามออกไปต้อนรับพระองค์ร้องว่าโพชนา ขอให้พระองค์ผู้เสด็จมาในพระนามขององค์พระวิญเจ้าคือพระมหากษัตริย์แห่งอิสราเอลทรงพระเจริญคำโฆษณานั้นอย่าลืมนะครับว่าแปลว่าขอทรงช่วยข้าพงศ์ให้รอดเถิดขอทรงช่วยข้าพงศ์ให้รอดเถิดเป็นคําอธิษฐานครับเป็นคําร้องทูลเป็นคําวิงวอนของประชากรของพระเจ้าที่กําลังรอคอยความช่วยเหลือจากพระเจ้าพี่น้องคนเหล่านี้ที่มาก็นับพระเยซูอีกไม่กี่ชั่วโมงครับ คนเหล่านี้เมื่อถูกจูงจมูกไปเขาก็ร้องว่าตึงเขาเสียที่กังเขนตรึงเขาเสียที่กังเขน ก, กับคนคนเดียวกันนี้ครับที่ไม่กี่ชั่วโมงก่อนพวกเขาได้ร้องว่าโหสนาขอสรงช่วยฆ่าพงให้รอดเถิดพื่นอนครับคนที่ร้องโหสนาไม่ได้หมายความว่าจะเป็นสาวกของรลวงทุกคนไปคนที่ร้องโหสนาเขาอาจจะกลับมาร้องตึงเขาเสียก็ได้ เราเขียนว่าผู้เขียนแต่และคนได้เขียนบทเพลงสรรเสริญแต่และฉบับแตกต่างกันนะครับทุกข้อความก็รวมอยู่ในเครื่องหมายคําพูดที่ว่าโฮสันาโฮสนาขอให้ราชจักรของบิดาของเราคือดาวิดได้รับพระพรขอพระพรจงเป็นขององคกษัตริยแห่งอิสราเอลเถิดนะครับมีพระเยซูเท่านั้นที่สงทราบว่าเมื่อสิ้นสัปดาห์นั้นคนจํานวนมากที่สรรเสริญพระองค์ขณะนี้จะเป็น ผู้ที่ร้องตะโกนว่าตึงเขาเสียมาระโกได้บันทึกว่าพระเยซูได้หยุดประทับที่พระวิหารก่อนเสด็จกลับไปข้างคืนที่เบธานีมัทธิวเขียนเพิ่มเติมนะครับว่าเมื่อพระเยซูได้เสด็จฉุดเข้าสู่กรุงเยอรมันแล้วประชาชนทั่วทั้งกรุงก็พากันแตกตื่นในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ถามกันว่าใครนะใครหนอฝูงชนที่ติดตามพระเยซูเข้ามาในกรุงเยอรมันก็ตอบว่านี่คือเยซูผู้เผยพระชนะผู้มาจากนาซาเลตแห่งแคว้นกาลิลี พระธรรมยอนก็กล่าวว่าพระเยซูทรงลาดังคำทำนายไว้ในเสคาริยาบทที่เก้าข้อที่เก้านะครับเมื่อวานผมได้อ่านไปแล้ววันนี้ผมอ่านซ้าอีกทีนึ่งครับทิดาแห่งซีโยนเ อ, อ๋อยากลัวเลยจงดูกษัตริย์ของเธอทรงลูกลาเสด็จมายอนเล่า ว, ว่าตอนแรกท่านกับสาวกคนอื่นยังไม่เข้าใจครับแต่ไงก็ตามในที่สุดเขาอธิบายว่าหลังจากที่เบียซูได้รับสงญาราศีหมายถึงการถูกตึงและการเป็นเสี่ยความตายขึ้นประชนแล้ว บรรดาสาวกจริงได้เข้าใจทำเขียนไว้เกี่ยวกับพระเยซูก็คือคำปรยากรณ์ในพระมีเดิมนั่นเองและสิ่งที่ได้มีผู้กระทำต่อพวกในสัปดาห์นั้นยอนก็เริ่มเข้าใจและสาวกต่างๆก็เริ่มเข้าใจกลุ่มผู้คนที่ได้อยู่กับพระเยซูเมื่อพระเยซูได้ทรงเรียกลักษณะให้เป็นเครื่องหมายความตายนั้นได้แพร่ข่าวนี่ออกไปครับแต่ยอนบอกว่านี่เป็นเหตุที่คนเป็นนั้นมากนึกออกมาจากเรื่องโมาหาพระเยซูพวกเขาต้องการเห็นการอัศจรรย์พวกเขาต้องการให้พระเยซูช่วยปลดแอกเขาจากพวกโรม าริศีเห็นปุ๊บนะครับก็รู้สึกอิจฉาตาล้อนและเขาพูดกันว่าท่านเห็นไหมว่าท่านทําอะไรไม่ได้เลยท่านมีหมายความว่าพวกเราอะครับพวกเราทํ า, าทอะไรไม่ได้เลยดูสิโลกตามเข้าไปหมดแล้วพระธรรมลูกาเขียนอธิบายยาวกว่าเล่ม อ, อื่นครับเห็นหนึงความแตกต่างในกลุ่มผู้คนเหล่านั้นเมื่อพระเดียชูเสด็จเข้าวัะตูเมืองข้อสามสิบเก้าของพระธรรมลูกาเนั้นเล่า ว, ว่ามีฟาริสีบางคนในหมู่ประชาชนทูลพระองค์ว่าองค์ตรงเจ้าข้าอาจารย์เจ้าข้า องห้ามเหล่าสาวกของพระองค์พรงคัดวตอบว่าเราบอกทั้งหลายว่าถึงคนเหล่านั้นจะนิ่งเสียศีลาทั้งหลายยังทรงยังส่งเสียงเรียกร้องเังนัครับตรงนี้เองทำให้เรารู้ว่าแท้จริงแล้วนะครับเป็นสิทธทิพิเศษของเราเป็นพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราในการสรรเสริญพระเจ้าในการนมัส ก, การพระองค์เพราะว่าถ้าเราไม่ร้องสรรเสริญพระองค์นะครับ พระเจ้าก็บรรดาให้ศิลาทั้งหลายหรือก้อนหินนะครับยังส่งเสียงรองสรนเสริญพระองค์ได้พียง้องเห็นไหมครับว่าเรานั้นมีคุณค่ามากกว่าก้อนหินเยอะแยะมากมายและเราเองนั้นได้รับสิทธิพิเศษรับมอบสิทธิพิเศษนี้โดยพระคุณของพระเจ้าเราสามารถนมัสการพระเจ้าได้และพระองค์ตรับอกว่าให้เรานมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้สิทธิ์นี้นครับ ใช้สิทธทิพิเศษที่ยิ่งใหญ่นี้ที่พระเจ้าประทานให้กับเราในการนมัสการพระเจ้าทุกวันทุกวันทุกวันพี่น้องครับพระมทีบันทึกต่อนะครับว่าพระเยซูทรงกันแสงสงข์ช้งกรุงเยรูซาเล็มเมื่อโปรงเสร็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มนั้นพี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมจะถามพี่น้องว่าโฮส น, นานั้นมีความหมายต่อชีวิตของเราอย่างไรโฮส น, นานั้นมีความหมายต่ออนาคตของเราอย่างไรโฮส น, นานั้นซึ่งแปลว่า ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดเถิดเป็นครรมริษฐานของเราหรือเปล่าครับเราควรยึดถือฐานโหชนาทุกวันทุกวันทุกวันเพราะอะไรครับเพราะเราอยู่ในกระบวนการการช่วยให้รอดที่มาจากพระเจ้าเราได้รับชีวิตนิรนแล้วหลังจากที่เราเชื่อพระเยซูแต่ชีวิตนิรันนั้นเรายังครับยังไม่สมบูรณ์หมายความว่าอย่ครับไม่สมบูรณ์ก็คือว่าแท้จริงแล้วชีวิตนิรันดร์เริ่มต้นเมื่อเราเชื่อพระเยซูแล้วนะครับแต่เนื่องจากว่าเรายังไม่ได้จากโรคนี้ไป เพราะฉะนั้นชีวิตนิรันดร์นั้นจะถึงความสมบูรณ์เข้าสู่มิติของการไร้เวลาไม่อยู่ภายภายใต้มิติของเวลาอีกต่อไปแล้วตรงนั้นแหละครับก็ถือว่าเป็นความสมบูรณ์แบบของชีวิตนิรันดร์ที่จะเริ่มต่อไปหลังจากที่เราตายและคอนตินียต่อเนื่องกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดพี่น้องครับโพสนามีความหมายอย่างไรต่อชีวิตของเราขอให้พระเจ้าช่วยเรานะครับให้เรารอดปลอดภัย จนถึงวันสุดท้ายที่อยู่ในโลกนี้เพื่อที่ชีวิตของเราซึ่งเป็นชีวิตนิรันดร์ที่ได้รับการประทานจากพระเยซูนั้นจะเป็นชีวิตที่พวกเราทั้งหลายชื่นชมครับจะเป็นชีวิตที่อยู่ตลอดไปเพราะฉะนั้นหากผู้ใดทําอะไรอยู่ในโลกนี้มันจะมีผลต่อชีวิตในภายภาคหน้าขอพระเจ้าช่วยเราหนุนจิตชูใจเราทั้งหลายครับพี่น้องในการที่เราจะโฆษนาอย่างแท้จริงเราในการที่เราจะมีชีวิตที่ถวายการสรรเสริญแด่พระเจ้าอย่างแท้จริง ในการที่เราชีวิตของเรานั้นมีพระผู้ช่วยรอดพระองค์เดียวก็คือองค์พระเยซูคริสต์ที่ทรงช่วยเราทั้งหลายให้รอดได้นั่นเป็นคำอธิษฐานของเราในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าทรงอำหนวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน